สิงหาคมพุทธศักราช2556พระจำพรรษาในวัดของเราทั้งหมด39รูปสมเณรหนึ่งเป็น40แต่วันนี้ลงมาฉัน33งดไป9ท่านโดยมากจะไม่มาฉันพร้อมกันท่านองค์ที่จะภาวนา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 ก็ อ, อแสดงทางตาอากับกิริยามากกว่านั้นก่อนะออกหมัดออกมวยใช้ศาตราอาวุธอันนี้คือแสดงออกมาทางกายแสดงออกมาทางวาจาพูดกระทบกระเทียบเสียดสีดูถูกเกียดติยำใช้วาจาออกมาแต่คนได้ยินรู้ว่าเขาไม่พอใจ ถ้าเห็นอากาบกิริยาเขาก็รู้แล้วเขาไม่พอใจเพราะนั้นหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระกรรมฐานโดยมากพระกรรมฐานอย่างพวกเราท่านทั้งหลายที่มาอยู่ป่ารงพงภัยอย่างนี้มาเรียนศึกษาเรื่องของใจเพราะใจเป็นเจ้านายใจเป็นตัวการใจเป็นหลัก อย่าวอกมาโนปุพังขมาธรรมามาโนเศรษามาโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จเดียวด้วยใจเพราะฉะนั้นพวกเราจึงมาศึกษาเรื่องของใจใจของเราคิดอะไรใจของเราอมีกับกริยาอย่างไรใจของเรามีความกระเพิ่มอย่างไรใจของเราหนักไปทางกิเลส คำว่ า, า, ากิเลสคำนี้เอาเข้ามาเลยตใจมันอยู่เป็นกลางๆางกิเลสเข้ามาครองหนักไปทางโทสะโทสะเข้ามาครองใจถ้าเห็นใครน่ขวางไปหมดแสดงออกมาทางตากนั่นนะตาขวางจากนั้นพอตาขวางจะได้ก่อนแสดงอกับกิริยาหาคอนหาไม้หาลงหมัดลงมว ย, ย อ, อะไรตัหเพราะอหรเพราะว่า ใจเข้าไปทางโทสะโพดออกไปก็มีตาดาตะคอกออกไปทางวาจาอันนี้แปลว่าใจดวงนั้นโทสะเข้าไปครอบของใจเขาโทสะคือความอารมณ์ที่โทสะเข้าไปคลองใจถ้าว่าราคะเข้าไปคลองใจเห็นอะไรเป็นสิ่งที่พอใจถ้ามีอะไรพอใจ เห็นเงินคำทรัพสมบัติเห็นคู่คนที่รักชอบพอใจก็ปล่อยอารมณ์ออกมาปล่อยออกมาทางตาตาก็ยเยิม้มอากับกิริยาทางวาจาก็แสดงทางกายแสดงออกมาทางกายก็เป็นที่ประ ส, สานสมคีสิกแฮนจับมือหรือ แ, แสดงความพอใจ อันนี้แปลว่าเกลเลตทางราคะออกมามาทางตาทางหูเวลาพูดออกไปก็หวาน เ, เพราะอะไรเพราะอารมณ์ออกมาทางวาจาอันนี้ก็คือราคาที่อยู่ในใจมันออกมาเกเลเตโลภออกมาคือความโลภมันออกมาที่ไหน ออกมาแล้วเห็นอะไรอยากทั้งหมดอยากจะได้เพอรเพยยังไม่ใช่ของตัวเองก็กันแกล้งหาเรื่องเบียด <Yeah. S 1> uh, บังคดโกงเล่ห์ไถ่ปนอันอไหนที่จะได้มาเป็นของตัวเองทำทั้งหมดอันนี้แปว่าความโลภออกมาจากสแสดงออกมาทางด้านจิตใจนี่และ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 เขามาครองใจนี่แหละก็มานั่งสมาธิทีนี่ก่อนที่จะจับกิเลสเหล่านั้นได้แล้วทำอย่างไงเราจะเป็นึกเดาเอาก็ไม่ได้แต่จาม่ยิ่งมันรู้อยู่แล้วมันรู้อยู่แต่ไม่รู้จะจับยังไงจึงจะอยู่มัดเหมือนกับเราเห็นเสือสิงกระริงกระทิงแรดอยู่ในป่าอย่างนั้นนะมันเพ่นผ่านวุ่นวายไปหมดแต่เราจะจับยังไงมันจึงจะจับให้มันอยู่ในอนัตของเรา เราจะจับวิธีอย่างไรเนี่แหละท่านก็ให้มีสมาธิในการจับเราก็ต้องหาเชือกหรือหาแล้วหรือหาอะไรวิธีการจับมันมีวิธีการมากมายหลายหลายๆอย่างบางทีก็น่นุ่ะใช้นิวเคลียร์นิวตอนลูกระเบิดลูกกระสุนยิงอตัวกิเลสราคะโทสะโมหะให้หมอบเลย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 ของเราเนี่ยต้องมีสติสัมปชัญญะนะจากนั้นเมื่อมีสติสัมปชัญญะทำจิตใจไม่ให้คิดปุงฟุ้งออกไปข้างนอกแล้วใจของเรากดรวมสงบลงเป็นหนึ่งจิตจะนิ่งจิตจะไม่ปุงฟุ้งออกไปข้างนอกพอจิตนิ่งรวมสงบลงเป็นหนึ่งแล้วเราจะรู้ได้ว่าเออเนี่ยเราจะให้ฝึกยังไงเมื่อสติเมื่อเรา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 เพราะอะไรมันย้อนเข้ามาหาตัวตัวผู้รู้ทีนะให้เข้าว่าเห็นสิ่งเหล่านั้นแล้วเมื่อจิตสงบแล้วมันก็จะย้อนหาโซเฟอร์มองโซเฟอร์เยทีมองโซเฟอร์นะอ เ, อรเราทำไมเราจึงเอารถไปเหยียบคนอื่นเขาเราทำไมจึงเบียดเบียดแกด่าคนอื่นเขาเราทำไมไปเห็นอะไรมันอยากได้ทั้งหมดจะเบียดเปลี่ยนเปลียนเขาทั้งหมดเบียดบังเขาทั้งหม ด, เ, เ, หมดเพราะอะไรนง โซเฟอร์ต้องมองตัวเองกลับมามองย้อนมาหาข้าพเจ้าทำไมข้าพเจ้าจึงเป็นอย่างนั้นเฮโซเฟอร์เมื่อย้อนหาเหตุแล้วก็อืมเพราะข้าพเจ้าหลงว่างหลงข้าพเจ้าเองหลงตัวเองหลงว่าข้าพเจ้าเป็นข้าพเจ้าจะอยู่โชฟ้ฟดินสลายตายไม่เป็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมันจึงโลภทั้งหมดเห็นใครก็โกรธทั้งหมดเห็นใครก็รักทั้งหมด เ อ, อเพราะอะไรเพราะมันหลงนะเพราะมันหลงตัวเองแต่นี่นพราะพระไตเจ้าท่านสอนว่าเ อ, อโซเฟอร์อย่าหลงตัวเองนะให้สํานึกให้ดูตัวเองนะโซเฟอร์นะ อ, อร่างกายสังขารนะัมันไม่ใช่ตัวของเรานะอีกสักวันนะหนึ่งนะทิ้งทั้งหมดนะต้องปล่อยวางทิ้งทั้งหมดนะโซเฟอร์นะรถคันนี้อีกสักวันหนึ่งต้องอยู่พงหญ้าแน่แน่ต้องอไปอยู่ในหงซุยแน่แน่ ต้องเผาไฟทิ้งแน่แน่ต้องเอาไปหลอมเป็นเศษเหล็กแน่แน่นะโซเฟอร์นะนี่แหละพระพุทธเจ้าให้สอนเทอะนะสอนสอนโซเฟอร์จากนั้นโซเฟอร์ก็ต้องนํามาคิดเลยเถอืะที่เราลุ่มหลงมัวเมาไปนี่เพราะว่าเราคิดว่าอรถคันนี้นเป็นของเราร่างกายของเราเป็นของเราแต่ตามพื้ที่แท้ไม่ใช่นะ โซเฟอร์นะอีกสักวันหนึ่งโซเฟอร์จะต้องทิ้งรถนะนี่แหละจากนี้เมื่อโซเฟอร์จะทิ้งรถแล้วจะไปเอารถคันอื่นอีกเพราะโซเฟอร์เนี่ยออกจากคันนี้เราต้องไปเอาคันอื่นเนี่นะทีนี้เนี่ยเพราะว่าคันนี้มันหมดสภาพแล้วเหมือนกับเราใช้รถไปห้าปีสิบปีมันหมดสภาพแล้วอะไรก็หลวมไปหมดแล้วอถ้าเราจะใช้ต่อไปมันเพราะมันวิ่งทุกวัน่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 ไม่ได้วางแผนเอาไว้มาเกิดก็มาขี่รถคันนี้ออกมาตะลอนไปในตลอนม า, ากินเหล้าเมายาจำมะเลเทเมาไม่ได้คิดไม่ได้อ่านพวกเราคิดดูให้ดีกันแล้วกันว่าเมื่อโซเฟอร์ออกจากรถคันนั้นแล้วโซเฟอร์จะหาเงินที่ไหนไปซื้อรถคันอื่นที่ให้ดีกว่าหรือว่าเสมอตัวถ้าว่าโซเฟอร์ไม่ได้ไม่ได้วักวางแผนเอาไว้ เพราะนันสิ่งเหล่านี้อยากจะบอกกล่าวคณะสัทยาญาติโยมทุกหมู่ทุกเหล่าที่นั่งฟังหลวงพ่ออยู่ที่นี่จริงหมายที่หลวงพ่อพูดให้ฟังโซโฟเฟอร์เนี่ยจะต้องหนีออกจากรถคันนี้แน่แต่โซโฟเฟอร์ได้เตรียมพร้อมไว้หรือยังมีบัตรเอทีมหรือยังมีเงินอยู่ในธนาคารหรือยังมีเงินเก็บไว้เพียงพอหรือยังเป็นที่อุ่นใจหรือยังที่เราจะต้อง โยกย้ายออกจากรถคันนี้ไปซื้อรถคันอื่นต่อไปนี่แหละเสิ่งเรานี้อยากจะให้พวกเราวางแผนให้พวกเราคิดเอาไว้ว่าพวกเราจะต้องออย้ายภพย้ายชาติแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นพูดมาคํานี้ไม่ใช่ว่าเอาความตายมาขู่กันเอาความตายมาบอกให้กันกลัวไม่ใช่เอาความจริงมาพูดให้ฟังเมื่อพวกท่านกลัวแล้วจะทํำยังไงให้ภาวนา ให้สำลักจิตใจให้เป็นคนดีสิ่งไหนที่มันชั่วอย่าทําคิดดีทดําดีพูดดีเออถ้าเมื่อเราคิดดีพูดดีนั่นแหะการสั่งสมหรือว่าการเก็บหอมรอมริบ เ, เงินคําทรัพย์สมบัติเข้าสู่ใจของพวกเราถ้าคิดดีทดําดีพูดดีถ้าพวกเราคิดชั่วทําชั่วพูดชั่วแปลว่าทําบาปกรรมเมื่อทําบาปกรรมแล้วบาปกรรมตัวนี้แหะ